พักตกผนตกแป้นต่างขาออกครับหมอะแล้วตกแป้นั่งยืสิเดนั่งนุ่งยองสิหนึ่งเอ็นรงมือเหยียบพุทธตกผลเอาขากอข้อก็ได้นั่งนูน่งนั่งเอาขาขอข้อขาตรงไหนอข้อมันอ่อนมันอ่อนพอดัดเสร็จมาสะพัได้บ่อยไปซับเสร็นไหนก็เจออายุจำกัน มาหรซีดัดเห็นแล้วท่านยุ้รำอันนี้นะเฮ้าว่านนะสุขภาพคนไม่ค่อยไปอย่าไร้นั่งคัตจามาเนี่ยนั่งคัตมามาก้มลงทั้งหอดก่อนก้มลงท้งหอดนภาทอดแปดอันนั่งยองๆแคสินั่งแค่สินั่งยองถึงงายร้องก็สิเมื่อเยาะทอดแป้นนอันเพราะเข้าดีกว่าจแป้นด้วยเฉพาะคนป่วย่นะผู้ขารีแค่ไรขาสิทิ์ แม่ไม่มีแม่ครูขนาดเพิ่ับเศหนั่งบ้านเลเพื่อนเรานั่นก็ดีใจดีใจเห็นพวกอาจารย์แ่ก็ไม่น่นี่หรอกอันน้นูกิตัวคิดเราเองอ่ะอันซับอันซ้ำของเล้จของเท่าคิดเราเองเท่ของเปของจะแคร์าบวาได้หรอคืนเอารถเท่าไมซ้ำนครับไปคนซ้ำเมื่อไรไนรถน้าเขาอรถสามเมตร จังสิย่นเขาจ ม, มในใจมันว่ามันเป็นกับดักฐานมันซ้ำหัวห้อไปไหมันแย่งกีบอย่างเขาว่ากับบอลนี่ใส่ห้องไปนักดนี้บ่อะไรนันเนี่ ย, ยออกกบ่ เขาค่อยอยู่ตั้งแต่นั่มหลวงปู่มันคือเขาออกจากวัดน้องน้ำเข้มแล้วสองพันสี่แปดสแปดเขาออกจากวัดน้องน้ำเข้มแล้วเขาเอามายู่น้ำหลวงปู่มันที่ภาษาออกจากคันออกจาก้วหลวงปู่มันถวายพระเพื่อเราเขาก็ไปอยู่น้ำหลวงปู่เทศพุกแก๊งทางหน้าสามภาษาเขาขึ้นมาเราเขามายู่น้ำหลวงปู่มหาอีกหลวงปู่มหาบัดไมโยนี่ไมโยขัําจอีนี่บันทราย สามภาษาออกจากหันข้าวเขามาอยู่คู่เก่าออกจากคู 2, <cle an> ่เก <cle an> ่าเขามาอยู <Podcast> ่น <cle an> ี่น <prejudice> <ple an> ี <fl> <Credit> ่นอยู่สองพันหาร่อยเนี่ยจะจัดกันมากผมเล่นดีเลยนะโอกาสน่จะเจอกันมากนะครับมาทำมูลได้ก็สนุกสนานมากดีมานอนเย็นพักนอนเย็นพักนะครับ ห้องบ่ได้ไปห้าวให้พระไปฝากค้องอะไรม น, นี้ตามจุดที่กําลังน้าวใหพระไปฝากคล้องใงไปใช่หมนีมนน้ฝากคอมาหาหลวงปู่ไม่ได้ไปรากอมาหาหลวงปู่มาหามุ่นค่าก็ฝากไปละเขาแค่เซ็ตไป พากระฟาไปพระกระฟาไปเดไปฟากก็พวกเอือนหางชาคนไปว่าสั่งไป้างเมือเี๋ยวมันจ ะ, ะทนเพิ่มว่าั่น้ำกรฟาข้ามใจ อ, อี๋นี่พระไปแล้วกระกปทั้งกามเ้าว่าสั่เข้ามาได้ไปก็ไม่จะมาเลยกลับเท่ทุ่นถวายองค์หลวงปู่มหาเก่าพ่ะเจ้าคอกเพรา่าโรก เต็มตัวยังพอแห้งล่ะทักไปจะไปกอุงปรีสพระฉันนี่โทษัเก่าอันไหนไม่จ้ง <laughs> ง อ, นนจองส่งกนเธอะฝ า, า, ากกันนัมาทั้งส า, านี่มามาทุนถวายัน ส, สิะครับเขาก็เลยลงข่าทุ่นแย่ยม า, ออากโดยความเรสูงนคือะครับเข้าไปถามันถาไปบไ ก็เป็นจริงบุญสรองอายุนะมันเกิดขึ้นมาที่หลังล่องภูมันนลยูนี่เเกิดขึ้นมาล่องูรุ่งหรือ่งภูมันลงภูมันนพาเลยอ่องภูมันนี่หายไตัวแต่จังวเฮ็ดบาปับสรองออายุบาปเยเสมอเฮ็ดบุญกสร้องอายุบุญยเสมออตัวไปสร้ไอีกวอย่างไปแถวหนเนี่คนรยม เจอหลวปู่มหาเเขาออกหุ่มทับเขาออกหุ่มทับกยุบอะไระก็เลยเฮ็ดพ่นก็ะดามามาซ่องหันซ่องนี่ซ่องวัดหลวงูมหาชื่อถี่มีภูไปฟ้องว่าเฮ <c oughs> ็ดสลาใหญ่คือมาเอาหวยไม่อเย็นไปไนแลวนอฉันเคยมาเล็บหัีมีภูไปฟ้องคือนาเฮ็ดสละใหญ่ ก็พี่คิดไมางเลยอืมเพราะมันมาเป็นสันคนงานลูกหลานเสียมันถืเฮ็ดธนาแชีงกันมันถืว่าภาวนาวันนั้นได้อยู่จังสันสังรวดหลายจะดเดี๋ยจะกร้อมมันกวนอยู่เขาเนเฮาเฮาถือเฮ็ดเฮ็ดในก่อนน่ะงันเขาพูดงั้นอย่านั้นเป็นหรือที่อย่างนี้ย่ะเนไปเฮ็ดร่งพยาบาลเฮดซื้อมาตุลาเฮ็ดนาหันย่างไรก็เ็บสามเจสมล้านก็พอันตัวธลา อยู่พ่อยอยู่ลำชันวต้นบวที่นเราซํานั่นมันจะขังอะไรสัตว์ก็าคนมาอะไรอะไรก็เต็มสรตาลาเนี่ยาลาหมานค้นนาสัตว์าลาเนี่ยาลาเปีย้นสัตน์้าขมากบ่มีนะสัตว์ซาลาข้าข้นมากเลยครัว่าสัวนาพระเจ้าเป็นเจ้จะได้รบกวมาหน่ะพระไปนี่พระยายามพระเจ้าพรจ้าขวานซาลาเนี่ยเมื่อที่ศาลาพูดจะกอดหรอสั ศาราพูดจากก็มันดีต่สาร่าวสาร่านั่ยสาร่าคิดศาร่าใจไม่ทางาดีทอห้องเพิ่นว่าฉันตัวว่างก็ได้ถือใจพระเจ้าถือใจบ่ได้รับบ่ได้ว่าเพิ่นสาร่านอกดีเหนือตัวสาร่านั่ยังบ่ดีท้อเพิ่นะของเพิ่นสร่าท่อมสาราไห่นั่ของตัสาราขีเหร่ด้วยงเราเจ้าขย่าเรากระห้องเาว่าได้แพ้แต่คอใสดอกสาร่ารังนี่กะมีมาห้องเ็ดดมี่ห้องขอเห็ดส่องเขียวส่องขาบ่มี่เน้สาร่ารัง ชมือนีก็บุมีเลยอยถอยออกมาหายกัเฮ็ดถอยออกมาหาก็บเฮ็ดการงานจัดขึ้นได้ว่าเท่ากับว่าจัดนี่นี่เฮ็ดตัวนี้กับเฮ็ดเท่าอามีชิที่มมาล้วไปยังฉันว่านักฟุตบอลานนี่ครับมามามมาซามองมาศิหาอุาด่ามาแลยคือจังววามันฟุแท่นมา เราสมกันด้วยนี่เ่สิว่าห็นือขึนมอบวอร์ัตกรซะแล้วลพบุรีมหาผ้าเห็ดผ้าเห็ดมาหาลพบุรีมันโวนหัวเน่ขาน่อยอันนี้สองอันนั้นแะคือาสั่นผู้ได้มาผูได้บอกก็ว่ากล้าเ่าามาอยู่สั่นว่าพนจจนทร์พบุรีมหากับพาเฮ็ดขน่อยเป็นผู้สร้างผู้เห็ดมาสั่นข้อมอบรัดกรเลยเพื่อนประเอื่น สำร่างเสียสวแต่พี่สม ย, you, ย рим, ังยำยอยู่เห็นริบรับห้อกับริคือคือบ่บ่สวงเลยนอกบ่สวงเลยหรอกกระซองหันกรองนี้ก่องหันกรองนี่เห็นน้าท้นทางกับกลมไม่อยากคุยกูตีกูตีแต่หัวยิบมาเนี่ โอ้ยไปเบิ้งฮาลังวัดท่ากับผมก็บพ่อพี่กันตุนว่าเลี้ยกิจที่แตกอย่งว่าสันเพ่าเขาสันวาไม่เห็ท่ากับผมเรว่าจะเหิืนโอ้ม่ท่ากับผมไม่ไหวนว่าสันเท้าว่ายลายน่นี้ยหามว่าดาวเยไปครับมชักเรือองล่าก็ออกมาจับเป็นหนนเลเดียตวหลังแต้งสองันก้อนันห้าร้อยสองพันห เลือกสราแตกบปออกออกมาจากคนจะต้องจกคนช่อนอร่อยหมดอคน่อยยเก่าด้วยหอวนอันชิอร่อยชิ้นอร่อยต่อบเก่าล้ว ย, อ, ย, กกยออกมาจากคนเลือกสร้างแตกเปล อ, ออกมาว่าเป็นหัวหนาหัวบายามาเยอะแต่ตนย มันจังเห็นขุนคู่บ่าอาจารย์หลายเด้ออีพอยแม่เลยโอ้ยกรหย่อนพน้องมาสั่นพูดนึ่งว่าพูดนึงไม่ทิดทีบไปจังนึ่งพูดนึงไม่ทิดทีบไปจังหน่งย่านโยก็ได้าละพัดโอ้มันเป็นเจ้าอัดก็เป็นผู้ยบาลกับนั่นมันต้องงออมเอาหัวนั่นให้เขาเซฟมัดเหยียบขี่บากระาะเซทันเหยียบเงียบบ้างก็ะเพาะเซฟทันสั่นไม่จังใดเลยเขาสั่นบ่ได ผู้ย่อบขี่มากกมาเซตทันผู้ย่บนผู้ใช้รออเขามากับมาเซตทันป่านนั้นจะค่อยได้เลยว่าราะ่านบได้ตวมันอุปมาคือนำหัวข้อก็บออาจารย์มันอุปมาคือคือนำแม่นำ้ำโขงคือนำมหาสมุทรทเลนำม่น้ำ ม, า ม, ามหาสมุ ท, ทรทะลปลาตายท่นขี่ท่โคนตายแขกตาย แต่ประเทศอันเดียวครีิมล้องหันแม่น้ำของข้าไลลองมาหันอันนี้ก็โฮมอยู่หันวัดปลากคกินยัหันขี่สักหันสักทั้งหลายก็ยยหันมีขวบปัดแล้วผู้มีปัญญาเขาเป็นพวกหมอเพชรนิ่จินดามากมาคึ้นมาขายเลนออกเคื่องอาคมะเลขายซึ่งขายของมันเดียวๆโจมันเปลี่ยมือนน้ำไปคนอผู้เขาไปซักขวบขี่เขาก็ซักไัหันนี่ยต่อ ผู้เขาไม่ปหน้าเขาก็ตักมากผู้ปักแดงนมำแรงมากน้ำของน้ำเพื่อนยื่นขีดทารเล่า ข, ขีดทหารตายกระทิยต้องหันต้องเหนือหมร้องมากผู้ไม่ปหน้าเขาก็ไปดูดเอาเหินมากขายดูดเอาไส้ามาขายท่านนะของในโลวงแล้วมันก็มีมัดอวนมา เขาขมู right, right, เ, มขอเอาไร้ร้ายพระว่าน่าจะสูงมันจะเอาไร้อ้ไร้เลยซมอร์นี่เกียมตัวตายเนี่ส่วนจักรฟองว่านี่ว่านักใจมู่ซื้อได้ไหมเนี้ยมึงเอาไอ้จักรองไปแห่กันกับเกียมตัวตายด้วสิมัแปลกที่ะนั่งขมเหงนั่งนอนขมเหงนอนกินขมเหงกินมิติหน่าเลยขมเหงมดว่าแต่ขมเหงกระทัางตายแต่ มัดกรูไปอยู่อ้กงฟ้อนก็เฮ็ดไว้แล้วเนี่ยยานข้าจับไปฟ้อนออกมาเป็นเชือกไปฟ้อน้าข้าสิบฟ้อนออกมาเป็นมือนียแปะมืดแล้วอะไม่เห็ดไหวเอาม่เจนหลอนมากมุ่งมาฝากกุลังฝากุลังเนี่ยมุ่งมามหา ไปหายามตายมากกันโยกกันมุ้งออกท่เอาคืนข้างกันเอาท่านเจ้าป่านี่เ <c oughs> นื้อที่ทรายอย่ะ <c oughs> อันน่ามั่นายเพิ่อน <c oughs> กรรมฐานอันไหนมันคย่ย <c oughs> ภาวนาภาวนาลงกันฐา น, าานาที่สร้างบนสรางบาปก็คือจิตใจนุ่ มดโทกแต่ภูรบาบําเพืบุญท่าโมก็ต้องเครงวยถึงรับบาบําเพื่นบุญนีที่ดวงใจสังโคกแต่ว่าปฏิบัติระบบาบังเพื่นบุญมีที่ดวงใจอ๋อธพรมอุทษาชนะยานถ้ารมศาสาชนะยานถ้าทังาสาชนะยางยอดถ้ากันไปพ่รกก็ย้อนยุทธคิดกับใจทาบาบแล้วเ็แร่นขับประหัตใจวัดในตอนับขอบหนักึ้นว่าขึว่าทาบุญแล้วเ็แร่นขับพระหัตใจวัดในตอนหนักขึ้นว่าขึ้นว่าใจอันเดียวเป็นว่าบนบ่บา เข็นว่าบุดว่าบาปตป็นเบ้องใจหันเกิดเกิดเกิดคือหันละทํารก็ทํารหันหำนี้็ำียังหันคำ่มีคำ่มียังหนพูดธทัพสองยังยังหันทุลักทอดหมาว่าไร้ผีไห้รนี่ยนกปูว่าหันไร้ผีก็ไร้อกับใจ่หันเลียววะจก่ประทือผีผีกับประยหันเลยวะบาปบ่มีแค่ผู้ประทําผีบ่มีแค่ผู้ปรถือผัวเมียบ่มีแค่ผู้ยอมเปโสดวะ มันก็ยุ่กับใจอย่างะย่นลองหันเลยว่ะเข้าออกไปว่าหานมันหันเฉยๆแล้วว่ะว่าหานก็แปลว่าหานลงใส้ใกะว่าหอนก็หอนลงใส่ไก่สิรับถึ้งมือทั้งแสนังานกนับออกไปจากไก่ยนก็ย่นยนล่องหันงเห็นทุกคณะกินนึงเห็นโลกรอบนึงละเห็นไอ้จางคณะินนึงก็เห็นโลกรอบนึงเห็นดินน้าหอยร่มคณะกินนึงก็เห็นโลกรอบนึง เห็นความกมันบ่น เ, เทียงรอบนึงเห็นโลกรอบนึงเท่กันว่าสันมวไปสิสิ่งควมสงเวยไปได้ิิมาหลงตรนี้หละข อ, องสันแความสูงในโลกคนบ่เห็นถ้ามันเห็นพระเดียเก่าคนกับบ่ไปคนกับบ่ได้คนกับบ่ได้ควบหลงคนก็คนเห็นได้ควบหลงคนมันหาควมสูงในโลกคนตรงนี้นี่จะเกิดจะแก้จะแ ก, จะแก้จะตายนี่จะถุกไม่จะเกิดขึ้นแล้วแก้กวนแ้สลาย คกิดมาแกระดับอันนี้เกิดละเอียดอันนั้นกระดับละเอียดคุมเคมคิดว่าเกิดขึ้นย่างละเอียดมันกระดับลงไปย่างละเอียดทีกันนึกขึ้นมาได้วจะงอแต่ละขั้วละข้วละขั้วเราแล้วกระดับไปนรับไปนคือร่มพัดมาพัดมแล้วก็พัดไปพัดมาพัดไปร่มพนอกันรวมพายได้อารมณ์ายได้ตังค์ร่มลร่มลอรมลว่ามีอันไหนตังเไรยไม่จะเกิดจากาดับเทาความดับเกิดดับเล่อลายเกิจะมาติดต่อกันอันนี้อันหนึ่ง เกิดับเรีวไร้จิตติตรอกกันแล้วเป็นพืชนะเียกว่าอน้จังอันละเอียดอยงเียังว่าทนละเอียดเท่าพ่นพงนเลยพ่งงานแห่งเกิดดับเร็วก็นันนี่เด like ียวนี่คืองานขึ้นไปหอดกรุงเทพแล้วนั่นไปฮอดโดนร้อนแล้วบนี้นี่ขึ้นมากเลนี่นี่ไหวปะยังไงนี่น้ามโนนหน้าดินโนนดิน นี่บาปร่วงน้ำคืออะไรดินนุ่นดินคือกินเขาน้ำนุ่นน้าคือกินน้ําเนี่ยไส้นุ่นไส้คือห้มผาร่มหนุนร่มคือหายใจเขาออกกิเลสหนุนกิเลสบุญหนุนบุญบาปหนุ่งบาปอะไบาปบวกบาปบุญบวกบุญบวกก็หายใจเขาอย่างนี้กันบวกบวกบุญพ่อแล้วบาปกับเขาโยกอะไ้กับเขาสู่พคันย่ำันตร้อเดี๋ยวต้องสั่นจึงว่าให้่างบุญไร้ร้าย บุญเต็มแล้วบาปไม่ได้บนโันเข้าูุพคนผ่านกันชัวร์อย่างซาอย่างอย่างแต่ซาอยางซาแต่พันเต็มเขาตักใส่กันเตเต็มเต็มนะตักน้ำาบัเต็มกับเต็มขุ่ขู่ที่ซ้ำมาแล้วอันนี้เขาสามารถไปตักศาสตรกคมล่ะบัิเต็มกับเต็มซาบไ้าบปัจจุบันนั่นแ่ะรองกันเออร ก็าหามาให้เขาเอา อ, าอกสั่เขาโคตรหาดุงำงำงับย <c oughs> หามาให่ให้บอกให้บอกเมื่อไเก่าซบความมา่าสั่นเป็นโรคหัวใจเป็นโรคสม ด, ดําดีเป็นนิว้วเป็นโรคเนียอยอะๆนี่โรคซาราเป็นขอวจักมันฉันจ่นี่ก่อน เจ้าข้าผาบอกถึงกันที่ผ้าบดเนื้อสั่พระจัาบอกว่าชิ้าขาเดียวคนเอกพระพุทธเจ้าคนทั้งหลายมองหจักตอนผู้ขาเดียวเนี่องเขาพระขนเรื่องนี่านดึงขาเตานี่ยงเขาพระขืนไดเรื่องไ่ไปไม่ไปนั่งแล้วผู้ใดเล่นเล่นผ้านะงจักควรุ่มคิดทุ่มใจเหมนไ่ต้องเยร่ารับตาภาพวันน้ายากหรอกวัยังเขาจะคิดน้อยอีพอใครอีเมียใอรสมาน นังคขพูดพื้นน้ำมันดินดนถ้เปลี่ยนทางเจรเญื่อนนี่วะิีพื้นใช้ไฟเพื่นสิแหละอ้โหก้อนขึ้นมาจังหาปู่มันก็ไม่ได้กี่พุ้นนั่นแล้วกำคิดเรื่างวานลงมหาสมุทระเลมันก็บ่เห็นไทยเลยจอดนึงก็ไ่เห็นอ่ะแนวมันจะ่มันแนวมันจีบหายแล้วฝันไปบรรยัติมันจะเลืนนะแนวมันจะเล่นริบแต่บรรยัก็มันจีหายนะไที่บรรยัติชพเจ้า พระพุทธเจ้าบัญญัติถือเนี่ย น, นี่มันชี้หายขนีหายอยงี้นี่ยนี้มันเจร ouais. ิญจะโตเจริญอ่นีอย่น้สัว่าให้บรญญัติถืออพระพุทธเจ้าพญามานบรญัตดอกพญามาขึ้นกิเลสบัญญัตนะคือข่าสัต์ไปสวรรค์นี่ยเราก็พญามาบรรญัตเนี่ยคือเนเลขมันขิ้อเงี้ยแต่ข่มกับพญางาพญามานเป็นผู้บัญัตพระพุทธเจ้าเป็บรรัตพระพุทธเจ้าบัญัตเาม่างชิ้หาย กโซดาบันโเหตุก็โซดบันโมเชิดายอยาซื้อศาสตร์อื่นโมเชิดายอยากจะเรียนเลขเรียนพลาโมเชิดายจะขอดเว่นกับู้ใดโมเชิดายจะข้าขายกับาหารข้าขายมนุษย์ข้าขาบเกษตรนักการทุกขข้าพนหารข้าขายนมข้าขายยาพิษมันมั่วี่นพระโดาวันโมเชิดายอยากเลื่อนเมืนเที่นเทวามันเป็นทางเจริญเหมทางเทียมมเป็นทางเจริญนั่นคุณนั่นเห็นทําีก็ต้องไป อย่าปัญญากซูักูคือปัญญาสมักสกูักซเราครอบซูบปจโนนั่นเองสุปจนโนเป็นควมันใจนงต้นของพุทธศาสนาอาณาธนตอื่นไม่ได้ดึงสมเถไม่ต้องเอามาเป็เ พ, ปพูดเลยไม่มีสุปัจจโนโจไม่มีอุชุไม่มีสาสยายยะไม่มีสายมินิจิมหาปริญนิพพานสูตรคนแสดงมลยครับวับนนี้อาณาธนตอื่นถ้าคำนั้ประมายัยับยีของเขา น้อยจะถึงชุติพัชกโนชุติยัญ่าตามนี้ไม่พัชค่าไม่เลยไม่เลยไม่เลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรมเราไม่ใช่อัตตาทิปไตยเราไม่ใช่ประชาทิปไตยเราเป็นธรรมมาทิปไตยเราถือธรรมมาทิเบตเตอเป็นใหญ่เอาทรรเป็นดิ่งพระพุทธเจ้าองค์ไหนไหนประเทศจะมือกันกับเราหมดได้คัดค้านกันจะมาขี่ร่ายโกรธก็ตามอเนกข้าศัตรูจะอยู่พระพุทธเจ้าจะมาขี่ว่าโกรธก็ตามหรือร่วมก็แล้วว่าโกรธก็ตามก็มีธรรมเทศธรรมเทศนาอันเดียวกันไม่รบล้างพรบกัน เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายเราจึงเคารพทำพระพุทธรูมาสาหนําการบัรัติยังบ่มองบังถ้ำพระองค์เจ้ามันก็ไปาบักไงอีพอีแม่กุ้ยชาวโลกนี่บ่มองบังถ้ำพระพุทธเจ้าด้บรัติยังพระกาบรญัติอัตโนมัติการค่าขายพระพุทธเจ้าก็สร้างสอนไว้แล้วอย่าค่าขายเองปหาอย่าค่าขายมนุษย์อย่าค้าขายสัตว์เ็ในเนื้อสัตว์ที่สัวข้าพุทธเป็นอาหารอย่าค้ายาเมาอย่าาขยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้เป็นข้อห้ามของชาวโลกให้ประกอบ สมบัติของชาวโลกข้าะการประกอบด้วยศรัทธามีศีลบริสุทธิ์ไม่เชือมงคลเือข่าวไม่คือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลไม่แสวงหาเสียบุญนอกพุทธศาสนามองเป็นบุญแต่ในพุทธศาสนาชาวโลกต้องตั้งเงี้สมบัติขประ ก, การเลยเว็นจากวิบัติข้าพการซึ่งตรงกงันข้ามนะพระพุทธเจ้าสอนนี่เฉพาะพระพุทธเจ้าย่างสอนยับ ย, ย่ น, นยมากอีกเนาะทาเป็นโรค ก, กบาลคือคุ้มครองโลกสองอย่างคนไอายต่อบาดก็กลัวต่อบาดเพรานั้นนู้นแต่คุ้มครองโรกได้ถ้าไม่ละอายต่อบาดไม่กลัวต่อบาดไปแล้ว วัมากัดหมูวัดทักวัดพวกว่าตั้งไม่อยู่ฟ้องทาไม่นาคำหนึ่งก็หมดที่พึ่นปิงเองอาศัยทาความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทำในที่รับนั่พระพุทธเจ้าหลวกมากหมดแล้วนั่นจริงวล่ะฮเนี่เอาพวกสิถือววิบาม่บุญเข้าไปได้ปะนั่นวอนอยว่พอค่ายอร้ายือลูกกสุนเขาสมม่ได่เอหงี้แมหมขาสอนพระพุทธเจ้ามันเป็นดิงแล้วนี่ยตั้งข้าสอนข้นว่างค้าสอนข้นม่ามอง ดูข้าสอนพระพุทธเจ้าเลยผไปว่าลอดเนี่เจ้าอิปานน่ะพระพุทธเจ้าสอนโลกพอแหงพระพุทธเจ้าเป็นการบ้านการเมืองเนี่ยห้ามให้พระเป็นการบ้านการเมืองห้ามไหว้พระเป็นการบ้านการเมืองไอ้พระไปสอนผีตัวไร่สันงังบอกจอหน้าพระพุทธเจ้าก็สอนบ่าวไพพระพุทธเจ้าก็สอนฆราวาสพระพุทธเจ้าก็สอนสอนมัดจึงทรงพระหน้าวาดสัตว์พระเทวมุษตรานั่งมุนทว่าพระาวาสที่เป็นผู้สอนของเทวดาแล้วมันร้ายขั้นพระพุทธศาสนาบอกสอนเศร้าโลก เช่วุฒแช่วดาอินพ้ยอ ม, มการพญยอมพการแช่งไปสอนผีสะเได้สั่มหนูมานี่ <c oughs> ว่าถึงใจฮ่องทึงใจฮ่องคือว่าบ <c oughs> ่าไห <c oughs> ้ว่าไห้ยุคฟ้าว่าไห้ยุฟ้าบอกอนุสาจะบอกยังไงบอกไังไงใไรเป็นผู้บอกอนุสา แม้มันอยากขึคือพุทเจ้า ม, มันอยขึ้นมันสอนถึ้ื่อองค์ทรงมันอยาได้สมาทานจิกษางยางที่ขาบทตองค์ทรงมัยได้ยนินมีเลยเสนาสามป่าเนี่ยถ้าม่ยังรห้าที่ว่า ย, ยั ง, ถงเถงยอเก่าแต่ทีเราผสมไฟขินขาาาาก็ห่าอะห้าปลาดวหามดีปลาด้ีลา้ยก็้กออบ่มีรับ อ, ออกับ อ, ออกับ อ, ออกทา บ, บ, บ่มีการบวชท่านออกัน พุทธศ า, าสนายังอยู่ ย, ยั่งยืนอยเราก็เหมือนอยู่คงคีพด้วยพุทธศาสานาที่นั่นแลวใครอยู่แล้วผู้ชาวพุทธจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนเหมือนวันมวยสุดเส้นตะปูพุทธใครรางใครรุกด้าวแดนพุทธกรรมจะกรรมหาไม่มีที่สุดจาบเข้าเข้าสู่ พ, พ้าวในพายข้นของกรรมอันบอดีลอยนะ ว่าถ้มาหาเลียนเลขนำพระพุธธทธศาสนามาหน้าเ้ามาถือพระพุธทธศาสนาเป็ที่เพิ ง, งคนชักออกออกใส่หัวคนชมาถืออื <c oughs> ูเลียนเลขมาหานำพระพุธทธศาสนามันกับพ่อฟานเอาสาบเชียนมาะคุวางจะหัวพูดจะหลุดโคกโบลุกนี่กันขี้โคขี้คู้อะโย ม, ม้าพอขี้ห่าพอมสู้่ะม่ั้นว่าังวไกล กชะนอสองเจิงหน้ามือเจิงหน้าผากไปกระโดดข้าวมือกูโบเห็นเพลนวานพระพุทธจ้านน อ, อนโบราณชะนอซูเมื่นี่มันสมัยคนสามโมงพ่อเสียแล้วเลานับถือพระพุทธศาสนาเพียงใดเรากระเหน็นเล่าในข้าวนี่นาเราบ่านับถือพระพุทธศาสนาเพียงใดเรากระจัเห็นเล่าในข้าวนี่เนาะมันเป็นเครืองทดสอแล้วสมัยสูมื่อเนี้ยเมีนบอกเออมาลาหลวงปู เออไ ป, ประชุบระชุบระจกบนักเป็นชุบระชุบระชุบไปชุมพันขึ้นมากขึ้นมากชุบขึ้นมาแล้ว ล, ะละ็อกไปนี่คันวางมาสั่งอ๋อผู้ต้นแล้วห็แล้วก็แล้วก็ ตันคีตันเยาวพุทธศาสตรนาเราไมนจะไปเป็นประเทศพามาเมียนมวาติงานไงเอตอนคีตันเยาวพุทธศาส์นาเราไมนจะเป็นประเทศพ้ามาอย mm ่ญญ า, า, ามึงไปหอก น, รร น, นครับมืออใสครับด้วยมระกกครับรถนี่หนึ่งยัดเสียงขับมือถ่าย สองอแสดงท่าปอดไถยอุบายแล้วมันคือปอดไถ่เลยอุบายของเราอันนั้นหละมะเฟืองขันข้นสุันไปวดท่าพึ่งพายก็ได้หดอรอเพงลงแบบว่าท่านหของท่าปอดไถ่อ้าส้ า, สาหัวมันนยานอยากห อ, ากอดาให้ข้าอยากหอน้ำให้แรงเพื่น้าง ข, าาข้าวนะแล้กทังขานทังเสียงทั้งภาวานาเจ้าของข้านางขี้กียกับเป็นบุญคงไม่พ้นยาพิษมารเผาคิดง้เขาถือเอาเป็นเหตุตกแม่เขตปั้นน้ำให้เป็นตัวมมมอหลายกลายเป็นอดีตหวังเิดอยู่ผู้รู้อนาคตรอบให้หมดอนัตตาธรรมกรรมจะไม่นำคิดต่อขอพบ ใจถูกลบลงถึงคาว่างไม่อยู่ห่างทางไปนิพพาน้าเที่ยวชาเดินมักควิถีต่อติดดีไม่มีวันเว้นใจก็เด่นเห็นทาไม่ตายจะบรรยายไปมากก็ลา ก, ก่อนกะมา ก, ก็ออกจากอันเดียวหลงอันเดียวก็เที่ยวอยู่ในสงสารเนิ่นชาปัญญากล้าหันหาต้นเหตุ ยนนิเทศเอกจิตธรรมไม่ร่วงลําไปหาทางอื่นไม่ต้องตื่นในการโวหาตการใดๆไม่ใช่ตัวตนจะได้ร่นไปได้ทางไหนหายสงสัยว่าไปหรืออยู่ปัญญาสู้ผู้ไวความหลงปรงภาระสะสางตัวเหตุหมดนิเทศจะกล่าวบัญญยัิผู้รู้ชัดก็ต้องเห็นเอง คนอื่นเพ่งว่าดีหรือชั่วนั่นเป็นตัวสมบัติโลกานำมากล่าวสาวไว้เสียงนี้พิษหรือถูกผูกไว้แก่ทาผู้รุ่รำจงให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างมันว่างอยู่แล้วแต่เราไม่ทําให้มันว่างไปแย่งกันของกูของมึงเรื่องมันก็มากขึ้น สินทั้งพวงเป็นของว่างอยู่แล้วรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะธรรมารมเป็นของว่างอยู่แล้วตาหูจมูกยินกายใจก็เป็นของว่างอยู่แล้วดินน้ำอยลงก็เป็นของว่างอยู่แล้วเมื่อมาถูกสมมติว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเมื่อคันไม่อยู่ตราบใดก็จําเป็นจะได้ใส่ชื่อหรือนามว่าเราว่าเขาว่าสัตว์ว่าบุคคลอยู่ตาบนั้น แต่ความจริงขันมาในเยืนยันว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นจ <må> ัตเป็นบุคคลดินน้ำไฟโรมก็มาในเยืนยันว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นจัตเป็นบุคคลแต่อาศัยมาถือสมมุติกันก็้ามาเย็นยันกันมาพูดกันเฉยๆไอ้ที่แท้เราทั้งหลายสมมุติขึ้นเราก็หลงสมมุติที่เราสมมุติขึ้นเองและเมื่อเราหลงสมมุติที่เราสมมุติขึ้นเองแล้วเราก็หลงวิมุติอีกเหมือนกัน ความลดพ้นเราก็หลงเมื่อเราลงเขียนเราก e ็ต้องหลงลบถ้าเราไม่หลงเขียนเราก็ไม่หลงลบด้วยตามเป็นจริงของเขียนด้วยตามเป็นจริงของลบด้วยตามเป็นจริงของสมมุติด้วยตามเป็นจริงของสมมติด้วยตามเป็นจริงของอดีตด้วยตามเป็นจริงของอนาคตด้วยตามเป็นจริงของอปจจุบันแล้วข้อพยายาไม่ติดอยู่ในเงื่อนดั้งสามทำไมจึงสมมุติมาก เพราะว่าสมมุติน้อยมันไม่พอใช้แล้วก็สมมุติมากมันจึงพอใช้เช่นตรวจอย่างนี้แต่ก่อนเราไม่เคยได้ยินเ hmm. พราะทําไมถึงสมมติขึ้นก็เพราะเห็นว่ามันไม่พอใช้ก็สมมุติขึ้นเองท hmm. ิงไหนที่ถูกสมมตุติถึงนั่น ก็เป็นสังขารพะเป็นจิตตะสังขารสมมติขึ้นพระเป็นวจีสังขารสมมติขึ้ น, น, มมนถึงไหนที่ถูกสมมติถึงมังก็เกิดขึ้นแปรดับเช่นพระเนพานพระเนปาลเนีน่นยนี่เป็นสมมุติแต่ก็สมมุติตามเป็นจริงคําที่ใส่ชื่อว่าพระเนปา น, านพระเนพานเป็นคำสมมุติแต่รสชาติของพระเนพานไม่ใช่สมมุติ คำว่าอรหันต์อรหันต์ก็เป็นสมมติไฟเกิดฝ่ายดับก็เกิดก็ดับอยู่วันนี้กลงวันกลางคืนท่ายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่วันนี้กลางวันกลางคืนทำทั้งร้ายทั้งสองเงื่อนไม่ได้ลงธรรมาไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เห็นไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่เห็นไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้ ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รุดพ้นไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้มารุดพ้นทำทั้งหลายเป็นจริงอยู่อย่างนั้นธรรมะธรรมทั้งหลายทรงมาอยู่มีอยู่ทั้งโลกีและโลกุตระสิ่งทั้งหลายมันลบอยู่ในตัวแล้วมันว่างอยู่ในตัวแล้วดินน้ำไฟลมมันก็ว่างอยู่ในตัวมันแล้วเช่นข้อแงบหยาด ว่ามันไม่ยืนยันว่ามันเป็นไม่เป็นดินของใครไม่เป็นน้ำของใครไม่เป็นลมของใครและมันก็ไม่ปฏิเสธว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่มีสุขไม่ทุกข์มีโอเบกขาเอกกันกันมันไม่สําคัญว่ามันสวยใดใดทั้งสิ้นมันไม่สําคัญว่ามันได้มันเสียอะไรทั้งสิ้นแต่กิเลสของ菩萨ทั้งหลายก็สมมุติว่าได้ว่าเสียไ ปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อรุดเพื่อพ้นไม่ใช่ปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อเพิ่มความหลงราคะมีเท่าใดจะบูชาราคะโทสะมีเท่าใดจะบูชาโทสะโมหะมีเท่าใดจะไปบูชาโมหะไม่อย่างนั้นต้องปลดอาวุธออกปลดเครื่องส่งเสริมออกสิ่งไหนที่ส่งเสริมราคะให้จักขึ้นสิ่งนัสิ่งไหนที่ส่งเสริมโทสะให้จัดขึ้น สิงไหนที่ส่งเสริมโมหะให้จัดขึ้นสิ่งนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธศาสนาสิ่งไหนที่บรรเทาพราะโทสะโมหะให้เบาบางและเหงือดแห้งหายไปสิ่งนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเป็นภาษาบาลีก็าตามจะเป็นภาษามาคตจะเป็นภาษาสังฯ ก, ฯกัดิก็ตามจะเป็นภาษาภาษาไทยก็าตาม ภาษาอะไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับความรู้จักความหมายแห่งธรรมนั้นผู้รู้เป็นพบเป็นชาติอันละเอียดมากถ้าสําคัญนะผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้ก็เป็นพพอันละเอียดเป็นชาติอันละเอียดเป็นอรูปรพบด้วย อรูปประพบกับอารูปประทำกับอรูปประโลกก็กกมีความหมายอันเดียวกันกับอรูปประธาต์ก็มีความหมายอันเดียวกั น, นกับอารูปประขันก็มีความหมายอันเดียวกันกับอรูปปอินทรียก็มีความหมายอันเดียวกันอินทรีย์แปลว่าเป็นใหญ่ในความตั้งไว้ในเรือ่องนั้นๆแปลว่าเป็นใหญ่ในความรู้แปลว่ามีอุปทานอยู่ใน jadi, มืผู้รู้นั้นทําไมถึงผู้รู้จึงมีอุปาทาน เพราะเหตุว่ามีผู้เข้าไปยึดถือผู้รู้ว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เลยเป็นกิเลสละเอียดก็เลยกลายเป็นชาติเป็นภพขึ้นเป็นชราพระพญาทิมรณะขึ้นในที่นั้นเป็นอนิจจังอันละเอียดผู้รู้เป็นอนิจจังอันละเอียดเกิดอย่างละเอียดแปรปรวนอย่างละเอียดเป็นทุกข์อันอย่างละเอียดไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันละเอียด แตพระนิพพานละเอียดไปกว่านั้นพระนิาพ่านเป็นอนัตตาธรรมล้วนๆแต่ไม่เป็นอนัตตาธรรมที่เกิดที่ดับเพราะอนัตตาในทางพุทธศาสนาแบ่งเป็นสองทางทางหนึ่งอนัตตาที่เกี่ยวกับกองงามลูกทางหนึ่งอนัตตาที่ไม่เกี่ยวกับกองงามลูกคือเป็นพระนิพพานล้วนๆอนัตตาพระนิพพานล้วนๆนั่นเองไม่เกี่ยวกับกองงามลูก เมื่อเกี่ยวกับความเกิดขึ้นนแปรปรวนแตกสลายไปเป็นกีรังยั่งยืนธรรมที่ไม่ใช่ตัวตนนั่นเองเป็นธรรมที่ไม่ตายธรรมที่ไม่ใช่ตัวตนในฝ่ายสังขารเป็นธรรมที่เกิดที่แปรที่ดับพระศาสนาอื่นๆไม่รู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องอนาตายุ่งเหยิงี๋ยวก็ ถือว่าศูนย์จะเลยเถอดเลยแดนไปซักพรนิพพานศูนย์หรือไม่ศูนย์ไม่มาเกิดไม่มาแก่ไม่มาเจ็บมาตายแต่รสชาติของพระนิพพานที่ไม่มาเกิดไม่แก่มาเก็บมาเก็บม า, บมาตายนั้นรสรสของชาติของพระนิพพานที่ไม่มีโรคมีโภชมีหลวงไม่ศูนย์ไปไหนเป็นของมีอยู่จริงอยู่แต่ว่าศูนย์ะเตลดเิดเปิดเปิงมันก็เห็นหน้าเดียวเลยมันเลยเถิดไปซัก พรนิพานไม่ใช่ศูนย์เจริ์เปิดปืนศูนย์จากโลกจากโกรธจากหลง จ, จากความเกิดแก่เจ็บตายจากความเดือดร้อนใช้เด่นใช่ใช้เย็นแทนสนิทแทนแทนดับใชเด น, น, นดเย็น แ, นแทนดับจึงว่าสัพเพธรมาอนัตตาติทำทั้งหลายเป็นอนัตตาหมายถึงพระนิพพานด้วยหมายถึงสังขารด้วยเคื่อนพลกันอยู่ ส่วนอนิจจังคับทุกขงังหมายสังขารรุนร้วนส่วนพระนรพานไม่ได้หมายเป็นสังขารไม่ได้หมายว่าเป็นทุกข์ไม่ได้หมายว่าเป็นความเกิดดับไปปวนเป็นธรรมทรงอยู่มีอยู่ไม่เป็นเมืองขึ้นของใครสังขารทั้งหลายเป็นเมืองขึ้นของพระนรพานเพราะไม่มีอำนาจเหมือนพระนรพาน พราะไม่มีแกนสารเหมือน พ, นาพาลังงานโมกตกก็เป็นเมืองขึ้นอยู่ในตัวทำไมเราจรึงอาศัยลมหายใจเข้าออกเพื่อพิสูจน์ทำทั้งหลายผูกมัดไว้ในปัจจุบันในกิจปัจจุบันนธรรมเพื่อให้รู้ชัดเมื่อรู้ชัดแล้วมันปล่อยเองมันวางเองมันเราไม่ได้สมมุติว่าปล่อยว่าวางเมื่อสมมุติว่าเมื่อเห็นชัดว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนเราเขาสัตว์บุคคลชับแล้ว มันปล่อยเองวางเองมันไมไ่ต้องทำกิริยาปล่อยวางเช่นเราลืมตาขึ้นมันเห็นแสงสว่างเราก็ไม่ได้ทากิริยาปล่อยวางอันมืดไปเอาสว่างมาเราก็ไม่ได้รองเรียกหาถ้าเรารู้เท่าเสียงใดแล้วเสียงนั่นหายไปเองความสงสัยตอนนั้นความงู้ตอนนั้นหายไปเองไม่ต้องว่า เรารู้อันนี้แล้วต้องชำระความโง่ออกต้องทํากิริยาธรรมะความโล่งโง่ออกเป็นขั้งที่สองผู้รู้เป็นขั้งที่หนึ่งผู้ชําระความโง่ออกเป็นขั้งที่สองไม่ใช่อย่างนั้นมันอยู่ในคณะเดียวกันเช่นเราลืมตาเหมือนกัน <c oughs> เมื่อกิริยาดืมตาเป็นกิริยาหนึ่งกิริยาที่เห็นก็เป็นกิริยาหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นมันมีอันใดก่อนอันใดหลังอันเดียวกัน นักภาวนาต้องสนใจวิปัฒนาธุระคาว่าวิพัฒนาธุระก็คือปัญญาธุระเราดีๆนี่เองไม่ใช่สมถะธุระคาว่าสมถะธุระก็ทํามะสมถะพอให้เป็นเป้าพิจนารณาเท่านั้นวิพัฒนาก็พิจนารณารอบเป้าอันนั้นแหละเราเป้าที่ตั้งไว้เป้าที่ตั้งไว้คืออะไรก็คือเป้าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเอง เป้าพระเนรพ์เอาตั้งไม่ไหวไม่ได้พาะไม่ใช่รูกขันน้าขันไม่เป็นหน้าที่จะตั้งเป็นเป้า <c oughs> แล้วก็มามาจากไห้บนเนาะต้องรู้เท่าทันเทียมถึงสังขารเสียก่อนต้องเบื่อต้องนายต้องคลายความหลงของตนในสังขารเสียก่อน จึงจะเดินเข้าถึงท่านพานท่านพานก็ค sei, ke, ือขายเพลินในวัฏจักรสงสารก็คือดับเพลินในวัฏจักรสงสารเพลินในวัฏจักรสงสารกับเพลินในรูมฐานเพลินก็มีความหมายอันเดียวกันกับเพลินในกองทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันกับเพลินในความโง่ก็มีความหมายอันเดียวกันกับเพลินในความหลงก็มีความหมายอันเดียวกัน นอนใจในความหลงก็มีความหมายเดียวกันกับนอนใจในรุ่งฐานเพลิงก็มีความหมายเดียวกันกับนอนใจในความโง่ก็มีความหมายเดียวกันความโง่เป็นคำภาษาไทยอวิชชาเป็นคำภาษาไทยความหลงกับความโง่มีความหมายเดียวกันถ้าไม่โง่มันก็ไม่หลงถ้าไม่หลงมันก็ไม่โง่ก็มีความหมายเดียวกัน อวิชชาควมีความหมายอันเดียวอวิชชาก็แปลว่าสี่ที่ไม่ใช่วิชานั่นเองมีปัชนายานกับปัญญายานก็มีความหมายอันเดียวมีปัชนายานกับปัญญาก็มีความหมายอันเดียวกันแต่ปัญญาเป็นโลกุตระปัญญาไม่ใช่ปัญญาในโลกีปัญญาอันนั้นีก็ไม่ใช่ศีลในโลกีสมาธิก็ไม่ใช่สมาธิในโลกีสมาธิจันนั้น เป็นโลกุตระสมาธิเป็นโลกุตระปัญญาเป็นโลกุลตระศีลกลมกลืนกันอยู่ในปัจจุบันและดีเป็นนิทานของผู้ปัจจุบันแต่นคนมาอนาคตเป็นนิทานของปัจจุบันที่หวัง หรือเป็นที่สําเนียบเป็นที่หมายอดีตก็ปัจจุบันเป็นผู้เผยหมายไปใส่ชื่อเรีย อ, าอนาคตก็ปัจจุบันเป็นผู้ใส่ชื่อ เ, อ, เๆๆเ อ, อเรียลก็คือจิตใจจิตตสังขางเรายดีเองเหตุนั้นพระริยาเจ้าทั้งหลายจึงไม่ติดอยู่ในอนจจนดีตจึงไม่ติดอยู่ในอนาคตจึงไม่ติดอยู่ในปัจจุบันเชื้ทันเนธลงในปัจจุบัน ก็คือจะเอาปัจจุบันเป็นตัวศีลเอาเป็นตัวสมาธิเอาเป็นตัวปัญญาเอาเป็นตัวเป้าตัวหมายเอาเป็นกองทัพธรรมเอาเป็นกองทัพศีลเอาเป็นกองทับสมาธิเอาเป็นกองทัพปัญญาถ้าจะไปเอาอดีตมาอดีตมันก็น่วงไปแล้วถ้าจะไปเอาอนาคตมาเป็นกําลังอนาคตก็ยังไม่มาถึงใช่ไหมคับเอื้อมมือไม่ถึง มันต้องแต่งมือยาวๆพื่อว่ า, วาวอนาคตมาอดีตก็มันล่วงไปแล้วตามไม่ทันทีแล้วมันไหลลงไปไหลลงไปหารางไม่ได้อนาคตมันก็ข้างหน้าข้างหน้าอยู่หารางไม่ได้ปัจจุบันนั่นเองเอาเป็นตัวประกันเอาเป็นตัวมีทั้งหนังทั้งเขาด้วยมีทั้งรับอยู่ในกระเป๋าด้วย อดีตมีซัพย์ก็ใช่ไปแล้วอนาคตมีซัพย์ก็ยังไม่ถมา ถ, ถึงปัจจุบันมีทรัพย์ก็มีอยู่ในกระเป๋าในปัจจุบันคือกระเป๋าจิตกระเป๋าใจกระเป๋าสติกระเป๋าปัญญาเนี่ยฉะนั้นจึงเย็นเน้นลงในปัจจุบันปัจจุบันนันจายโยธรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นแม่งอ่อนแง่คอนเทรนในทางพุทธศาสนาเอง เอาปัจจุบันเป็นเป้าพิสูจน์ใครเป็นเจ้าของปัจจุบันไม่มีใครเป็นสมมุติปัจจุบันมาผูกมัดใช่ไว้ก็คือปัจจุบันนั่นเองสมมติปัจจุบันมาปัจจุบันนักสติปัจจุบันนัปัญญานันเองสมมุติปัจจุบันมาพิจารณาอันทีแท่ปัจจุบันก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอดีตสมะบวนการนาก็เป็นกระบวนการเหตุนั้นในอนัตตลักษณ์สูตน์จึงยืนยันว่า รูปในปัจจุบันรูปอดีตรูปอนาคตรูปในเที่ยไกลรูปในเที่ยงใกล้รูปหยากรูปละเอียดรูปประณีรูปทุกขุมเป็นแต่สักว่ารูปเนอท่านทั้งหลายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนยตังามะเนโสรหมัตเจมิเนโสไม่ใช่ของเราเนอจงโูธรรมเป็นจริงยะถาภูตังสัมมปัญญายะทะจักบังจงโนธรรมเป็นจริงเเวทนาในอดีตเวทนาในอนาคตเวทนาในปัจจุบัน ความเฉไอารมณ์สุทุกข์อเบียขาในปัจจุบันความสวยอารมณ์สุทุกข์โเบีาย า, าในอดีตความสวยสุขทุกข์อเบียาในอนาคตก็เป็นแต่สัตว์ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนเราเขาสัรวบุคคลข้ามเวทนาด้วยวิธีนี้แล้วพระบรมราชนาเธอทั้งหลายก็ข้ามวเวทนาเธอทั้งหลายต้องการจะข้ามเวทนาทุกแต่ว่าจะเป็นผู้แปเหมาเอาเวทนาสุภเวทนาทั้งหลายมันเกิดขึ้นแล้วมันแปรปลีนแล้วแตกหลายมันอยู่ในขันธ์เทวบ ท่านทั้งหลายจะไปยืนยันเลือกที่รักมัดที่ชังจะไปยืนยันเอาสุขเขาเวทนามาเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเพราะเวทนาไม่เที่ยงเมื่อเมื่อเวลามันแปรปรวนไปเธอทั้งหลายก็เสียจะเสียใจในเวทนาเวทนานี่ทั้งสามสุขทุกข์อเุเบกขาจะเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายไปเหมือน่างหัวฝีก็เปรรมศาสตร์รดาสัญญาก็เมืนกันสัญญาความจำรูปจําเสียงจํากลิ่นจํารสจําผลพระจำธรรมารูป เกิดขึ้กาแฟปวนไแต่สลายไปเหมือนกันสั้งฐานปรุงแต่งแห่งกิจเกิดขึ้นได้กาแฟปวนไแต่สลายไปเหมือนกันวิญญาณคือจักขูวิญญาณชวะตะวิญญาณกายนัวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยวิญญาณมโนวิญญาณอาศัยรูปกระทบเนื้อตาเกิดความรุกขึ้นอย่งจักขูวิญญาณอาศัยเสียงกระทบหูเกิดความรุกขึ้นอย่าะตะวิญญาณอาศัยกลิ่นกระทบสมุกเกิดความลูกขึ้นอย่างานะวิญญาณอาศัยรูกระทบที่ิเกิดความลุกขึ้นเล้วชิวหาวิญญาณ อาศัย佛陀กะับทกการเกิดความโล่เคลื่อกายวิญญาตอาศัยธรรมามรมณเกิดขึ้นกับใจเรียกมะโนวิญญาณธรรมารมณคืออะไรธรรมารมก็คือรูปเสียงขีนรถพ陀ที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันอดีตก็สามชี้หกอนาคตก็สามชี้หกปัจจุบันก็สามชี้หกแล้วเอาสามตรกูลสามชี้หกดูสิสามหกเป็นชี้แปด สามสามเป็นเก้าเป็นเศษเนี่ยเรียกว่าตันตันหาลอยแปดนับทั้งอดีตทั้งอนาคตพเพราะเทเยสถานลอยแปดกระทงเรียกว่าตันหาทเทเยอสยานนำลูกเสียงเกิรลดผัวทพธรรมารมทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยทําไมถึงเะเยอสยาน ก็เพราะถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นท่านผู้อื่นเป็นของผู้อื่นเป็นเราเป็นของของเราถ้าของของถ้าเราของถ้าเราไม่มีของเราไม่มีผู้อื่นไม่มีของผู้อื่นไม่มีแล้วมีแต่ทำฝ่ายเกิดฝ่ายดับและไม่แต่ทำฝ่ายไม่เกิดไม่ดับไม่เป็นของใครเหตุนั้นจึงว่าทำเป็นของกลางที่เราใส่ชื่อมันถูกแล้ว ที่เราใส่ชื่อทำเป็นของกลางไม่ใช่ของท่านผู้ใดอืทําฝ่ายดีก็เป็นของกลางทําฝ่ายชั่วก็เป็นของกลางไม่ใช่อยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดถ้าหากว่าบาปอยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดผู้ใดทําบาปก็ต้องไปขอออกกับผู้นเสียก่อนถ้าหากว่าบุญอยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดผู้ใดทําบุญก็ต้องไปขอออกกับท่านผู้นั้นเสียก่อนถ้าว่ามรรคลนื้พางอยู่ในวงแขนของท่านผู้ใด ผู้ไดปฏิบัติพระพจนิพพานก็ต้องประคอเอากับพระธรรมทศพุทธเจ้าซะก่อนเนะหน็ดเช่นนั้นจึงว่าทำเป็นของกลางมันตีความหมายหมดทั้งสังขารและวิสังานนะหารหนึ่งน่นเหน็ดเช่นั้นจึงว่าระเพทธรรมารอ น, นัตตาติ ท, ท า, า ท, ทั้งหลายของกลางทุกสุทั้งหลายจงพากาันรู้จากตาตาไม่ใช่ตัวตนหูไม่ใช่ตัวตน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 ธรรมารมไม่ใช่ตัวตนทั้งภายนอกและภายนอกเมื่อไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ไม่ใช่ท่านผู้อื่นเหมือนกันเมื่อตนไม่มีมีแต่สังขารและกองทุกข์ท่านผู้อื่นไม่มีมีแต่สังขารและกองทุกข์เท่นี้ความขี่หึงจะมีมาจากประตูไหนเท่นี้ก็พิจารณาแยกแยะลงเป็นาธาตุขันธ์อายตนะพัสสะนั้น ก็ทิ้งลงเป็นสังขารธรรมเท่านั้นไม่มีใครไปยึดถือเอาสังขารธรรมมาเป็นเจ้าของไม่มีผู้ทำผู้ใดไปยึดถือเอาวิสังขารธรรมมาเป็นเจ้าของทำทั้งหลายก็เป็นของกลางอยู่ตามเดิมก็เป็นของว่างอยู่ตามเดิมเมื่อทำทั้งหลายเป็นของว่างอยู่ตามเดิมจิตใจของสัตว์ทั้งหลายก็เลยกลายเป็นของว่างเพราะไม่ได้ยึดถือเอาจิตเป็นตนตนเป็นจิตไม่ได้ยึดถือเอาผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้ ที่นี่กิเลสมันจะมาจากประตูไหนทีนี่มันก็ไม่มาเพราะรู้เท่า ท, ทันเทียมถึงมันแล้วความดีใจเสียใจจะมาจากประตูไหนความเชื่อว่าขาดทุนหรือได้กําไรจะมาจากประตูไหนไม่สําคัญว่าตัวได้ไม่สําคัญว่าตัวเสียทีนี้เมื่อไม่สําคัญว่าตัวได้ความทะเยอทยานจะมาจากประตูไหนถ้าไม่สําคัญว่าตัวเสียความเสียใจจะมาจากประตูไหนี ถ้าไม่สำคัญตัวเป็นศูนย์ศูนย์หรือศูนศูนย์เป็นตนอย่างนี้กิริยาจะมาจากไหนเหตุจะมาจากไหนผลจะมาจากไหนนี่มันก็จบ ก, กันเพียงนั้นวิญญาณปฏิสนธิจะไปตั้งอยู่ที่ไหนวิญญาณปฏิสนธิที่ไปตั้งอยู่ก็เพราะมีความหมายว่าเราว่าเขาว่าสารอบุคคลถ้าไม่มีความหมายว่าเราว่าเขาว่าทำว่าบุคคลจนแกะไม่ได้คลายไม่ออกใช่แล้วเนี่ยวิญญาณปฏิสนธิก็ไม่มีที่จะตั้ง เนี่ยฉะนั้นท่านจึงบอกว่าจงทําจิตให้ว่างจงทํากิจให้ว่างเมื่อรู้ตามเปนจริงแล้วมันว่างเองจงทําจิจให้ว่างก็คือจงทําให้รู้ตามปจริงนั่นเองเมื่อรู้ตามปจริงแล้วมันว่างเองมันรู้ตามเป็นจริงรู้ตามเปจริงแล้วก็ต้องทําให้มันว่างอีกไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเมื่อรู้ตามเป็นจริงแล้วมันว่างเองมัน เมื่อเราจับอาหารเข้าปากล้วต้องต้องทำรถให้เกิดขึ้นมันก็ไม่ถูกมันทำเองมันจับอาหารเข้าปากนะไม่ต้องทำรถให้เกิดขึ้นเอาละเทนี่พูดทางยังพอละเอาลว ไปเไมาจะเมันไม่ค่อยเย็นมันเบบถามหลวงปู่เกี่ยวกับเรื่องของสตินะคะสตินี่มันเอที่เราระลึกรู้เนี่ยมันเป็นอาการของจิตหรือเปล่าเพราะจิตมันก็คือผู้ผู้ผคิดขึ้นเลยทีนี้สติ ท, ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันออกมาจากจิตใช่ไหมคะหลวงปู่ถูกออกจากจิตแต่ว่าเป็นมรคจิตเป็นแปลว่ามรคสติแปลว่าผลของจิตทำมีอุปการามาสองอย่าง สติความระลึกได้จะมาประสานชัญญัติคูตัวเมื่อความระลึกได้มีอยู่ในที่แห่งใดความรู้ตัวก็มีอยู่ณที่แห่งนั้นด้วยสติกับความรู้ตัวไม่มีอะไรก่อนอันไดหลังเหตุนั้นพระอรหันต์มีสติอย่างเต็มที่เหนือพระอรหันต์ไปไม่มีสติจะมีมากสักเพียงไหนท่านก็บอกว่าไม่ฟุ้งซ่านมีสติคำกับอยู่ถ้ามีปัญญาก็ อยู่ที่ไหนสติก็ต้องมีอยู่ที่นั่นสติมีที่ใดปัญญาก็มีอยู่ที่นั่นสติในที่นี่หมายถึงสติโลกุตระสติเมื่อมีโลกุตระสติก็คือโรคุตละปัญญาก็อยู่ในที่นั่นทีนี่นี่พิพพานเวลาฆะวิมุตติสุทีนิพพานเมื่อมีสติคงที่อยู่เนี่ยไม่เอ่ยหาก็ต้องมาเองเพราะสติค่ายเขาเข็มทิพย์ค่ายค่ายเขาทิพย์เหนือ สิ่งอื่นๆค่าๆกับเข็มทิศต้องขี้มาในทางทิศเหนือหมดทำทั้งหลายต้องมารวมในสติหมดอ่อถามอีกทีนี่หรือสิ่งความสงสัยแอะไรอ่ะที่เราฝึกจิตนั้มันฝึกจิตให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาถูกถ้ามีสติรู้ตัวอยู่ทุกเวลาไม่ในกรรมฐานใดก็ต้องให้มีสติอยู่ในกรรมฐานนั้น ถึงจะเราจะถือว่าสติเป็นตนเริืมตนเป็นสติหรือไม่เป็นก็าตามก็มต้องให้มีสติต้องมีมีสติเหมือนกันเราเดินไปถ้าเราไม่มีสติมันก็ไปชนเพงอันนั้นเพงอันนี้วนจับอะไรเปลี่ยนปางโป่งเปลง่งเปลง่ปล ง, ล ง, ลงอย่างนี้ไม่มีสตินี่อือยู่ไปกับอยู่ไปหลวงกับหลวงปู่มัน่นต้องหัดสติน ฮัตติอันเดียวพอแล้วเนี่ยทาทั้งหลายไหลมาสู่เมืองสติเป็นเมืองขึ้นของสติเหมือนกันทำทั้งหลายโมฆราดเธอจงพิจารโลกเป็นของศูนย์มีสติพิจารโลกเป็นของศูนย์อยู่ทุกเมื่อถอนอัตตนุทิกถิงความเห็นว่าตนเสียความเกิดแก่เก็บตายจะไม่มาอาท่าน ท่านจงพิจรงาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนโมกขลาดเ อ, อ๋ยโดยใจความมันพิจางาอนัตตาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ใช่เรามันใช่ของเรามีสติพิจารณาอยู่อย่างนั้นเพื่อความลมหาใจเข้าออกยกก็ไม่ใช่เรามันใช่ของเราคือปฏิเสธโลกทั้งปวงแล้วถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์เสียศูนย์ก็ไม่ใช่เราอันไม่ศูนย์ก็ไม่ใช่เราเพราะว่ามีสติอย่างนั้นแหมีสติอย่างนั้น สติเป็นตัวสีเป็นตัวสมาธิเป็นตัวปัญญาเป็นตัวพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมทั้ทงหลายพระญาสงทั้งหลายรวมอยู่นั่นด้วยเป็นยอดพระไตรปิฎกรุ่ยหนักออกมาจากจิตก็จริงแต่ถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีสติอ่านภาถ้าไม่มีพระอาทิตย์ก็ไม่มีแสงอีกเหมือนกันเห็นใช่ไหม พระอรหันต์เจ้นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะไม่ให้ใครโสดท่านโดยอาบัตรเรียกสติวินัยสติในไตโลกธาตุพระอหันต์พระมาพระอรหันต์มีมหาสติทั้งหมดจึงว่ามหาสติประธานโสดเธอทั้งหลายจงทําสติให้เป็นมหาสติมหาแปลว่าไม่มีสติมากสติจะไม่มากสักเพียงไหนทำก็ไม่ห้าม ถ้าปัญญาไม่มีสติควบคุมเราฟุ้งซ่านนั่นตัวอย่างธรรมมีอุปการละมาาสองอย่างสติความะระลึกได้สัมมาชัญญะความรู้ตัวมีในธรรมหมวดสองเหมือนกันยก่กับธรรมมีอุปการละมากหมายถึงโลกุตระธรรม สติของพระโสดาบันสติของจกกะทาคามีสติของพระอนาคามีสติของพระอรหันต์สติของพระสพุทธเจ้าสติของพระสมัยพระพุทธเจ้าเป็นชั่นที่หนึ่งของพระปุทเจ้เป็นชั่นที่สองพระอรหันต์เป็นชั่นที่สามพระรานสาวกพระจกกะทาคามีพระอนาคามีเป็นชั้นที่สี่ พระจกราคามีเป็นชั่นที่ห้าพระโสราวันเป็นชั้นสติที่หกมันยิ่งดีกว่ากันอย่างนั้นปัจจุบันของพระสทมามพระุทธเจ้าเป็นปัจจุบันชั้นที่หนึ่งปัจจุบันนักจิตปัจจุบันนธรรมของพระปฏิกเป็นชั้นที่สองปัจจุบันนักจิตปัจจุบันนักธรรม ของพระอรหันต์เป็นชั้นที่สามพระอรหันต์สาวกปัจจุบนันจิตปัจจุบนันธรรมของพระตกระาคามีเป็นชั้นที่สี่ปัจจุบันนัจิตปัจจุบันนธรรมของพระสักกระทาคามีเป็นชั้นที่ห้าปัจจุบันนักจิตปัจจุบนันนธรรมของพระโสดาบันเป็นชั้นที่หกปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมของประชาชนคอนนาเอาเป็นประมาณไม่ได้ นักมวยเขาอ้างว่าเขามีสติอยู่ถ้าอยางนั้นเขาตีเพียงละชกเพียงละนั่นอนนั้นไม่จัดเข้าคนขับรถเขาก็มีสติอยู่แต่ไม่จัดเข้าในโลกุตรละถ้าไม่มีสติก็ตูหมุนทางมันลังไงนั่นจัดเป็นโลกียะสตินะั่นแต่ว่าถ้าพระสวสดาบันไปขับรถพระสวดิบันที่เป็น าราวาจะขับรถจะจับว่าเป็นเป็นโลกิยาสติสติมันก็ไม่ถูกเขาเป็นโลกตระอยู่ตามเดิม ม, มันเป็นนางนัส่วนขับรถก็หมายความว่าพระขับรถได้ไหมก็ขับได้อยู่แต่มันไม่งามคำว่าไม่งามก็คือขับไม่ได้นั่นเอง นาทะกณะธะรทมคือทรทร ม, รรมที่พึ่งสิบอย่างหนึ่งศีลรักษากายวาจาเรียบร้อยสองีความละอายต่อว่าสามโอตปะความโกวต่อว่าสี่พาหุสัจจะเป็นผู้จำทรงศีลปะวิทยามาห้า ภรรยาณมิตตาความมีเพื่อนอนมีงามโสวจัตตาความมันพัวง่ายสั่งง่ายจิงกรณีเยสุทกตาความขยันเอาใจใส่ในกิจธุระของเพื่อนมนุษย์ร่วมกันตามสติกำลังธรรมกาณตาความรักใครในธทรรมที่ชอบวิทยะเพียรเพื่อจะละความชั่วประพฤติความดี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 สติจำการที่ทำและคำที่พูดแล้วแม่นานได้สติก็เป็นที่พึ่งของตนถ้าจะรักษาก็จงให้มีสติรักษาพระพุทธองค์หนึ่งประภาวานาอยู่ในภูเขาเทวดาจำแรงตนมาเฝ้าองค์ท่านท่านอยู่องค์เดียว